สมุดฐานวาระวาระว่าด้วยสมุดฐาน 1. ปาราชิกกันคำถามคำตอบสมุดฐานอาบัตในปาราชิกกันาราชิกสิกขาบทที่5 243ถามอาบัตของภิกษุณีผู้กำนัดยินดีการถูกต้องกายของชายผู้กำนัด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 5ปาติเทสนียักันคำถามคําตอบสมุดฐานอาบัตในปาติเทสนียักันละปาติเทสนียศิกขาบทที่8ถามอาบัตของภิกษุณีผู้ออกปากขอนมเปเรี้ยวมาฉันบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตห6สมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานเท่าไหร่ตอบ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 มิใช่เกิดทางวาจา 4. เกิดทางกายวาจากับจิตสมุดฐานวาระที่ห้าจบ